จงมุกเรียนกายกายขึ้นแล้วเราก็หลงทีผู้สมมุติขึ้นก็เป็นเราสมมุติผู้สมมุติได้ก็เป็นเราเป็นผู้สมมุติสมมุติเสียก็เราเป็นผู้เป็นสมมุติเราก็พลอยดีใจเสียใจด้วยเพราะอะไรก็เพราะกิเลสยังเป็นนายหน้าอยู่ยังเป็นหัวจักอยู่ถ้าศีลสมาธิ ป, ปัญญาสติแข็งแกร่งแล้วความหลง กิเลสก็ไม่ไม ม, มาเป็นนายหน้าได้รู้เท่ารู้ทันหมดถ้าถามผมว่าเมื่อวานเนี่ยพอเรารู้จักรงเข้ามันเป็นอดีตแล้วพอเรารู้จักว่าต้นลมมันก็เป็นอดีตแล้วพอเรารู้จักว่ากลางลมมันก็เป็นอดีตแล้วพอเรารู้จัก ท่ายลมมันก็เป็นอดีตแล้วพอรลภว่ากระทบในตามันก็เป็นอดีตแล้วจะเอาอันไหนอันอันไหนเป็นปัจจุบันดันถามมาลึกเหมือนกันผมก็บอกว่าปัจจุบันอย่างละเอียดกว่านั้นเอาผู้ลูวตามเป็นจริงนั่นเองปัจจุบันผู้ที่หลงจะเอาเป็นปัจจุบันไม่ได้ผมก็เลยตอบอย่างนั้น ผู้สิ้ลงอดีตอนาคตปัจจุบันจะเอาเป็นปัจจุบันไม่ได้ผู้ไม่ติดอยู่ในอดีตผู้ไม่ติดอยู่ในอนาคตผู้ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเป็นปัจจุบันในจิตเป็นปัจจุบันนธรรมแท้ที่เดินมากอันนี้มันชั้นวิพัสนานไม่ใช่ชั้นสมาธิหัวโตชั้นสมาธิหัวโตโก็ลมกาลังเข้าลมกาลังออก ก็รู้จักก็ลงกําลังเข้าลงกําลังออกเป็นปัจจุบันของสมาธิ น, นั่นส่วนปัจจุบันของปัญญานลึกไปกว่า น, นั้นอีกผู้รู้ตามเป็นจริงนั่นเองผู้ไม่ ย, ยึดไม่ถือนั่นเองเป็นปัจจุบันนะธรรมผู้ ย, ยึดได้ถือว่าลมเป็นตนตนเป็นลมไม่ถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิต ไม่ถือเอาผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้นั่นเองเป็นปัจจุบันส่วนจิตเดตจะกำลิบหรือไม่กำลิบมันขึ้นอยู่กับปัญญาอันเห็นชัดนี่แต่ถ้าเราทำนาญในการพิจารณาเป็นเมือง น, นิดมันก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นง่ายๆหรอก ถึงเกิดเราก็ระงับทันถ้ารั่วของเราดีโคกระบือก็ละอาจะทำลายเหมือนกันต้องท้มีคอวัดขอขาขขอมันอย่าให้เสียเวลา ใครถนัดภาวนาอันไหนก็ต้องภาวนามันหากลู่เองมันมันหากเห็นเองต้องให้รู้ชัดในตนเองรู้ชัดจึงตัดความสงสัยถ้าเราภาวานาพุว่าตั้งใจภาวานาพุทโธจริงๆให้เห็นคุณในชั้นน้ำเสียก่อนถ้าเราภาวานาอนิจจัง ก็พี่นาอันนี้จังให้พบกอบรมให้ใจเข่าออกให้เห็นคุณในอนันตเสียก่อนและให้เห็นโทษในอนนันต์เสียก่อนเห็นโทษในโทษที่ไม่พิีรณาเห็นคุณเห็นคุณที่พี่ณาติดต่อเป็นเนืองนิดก็มาทานใดใดก็าตามภาวิตาพระหุลีกาตาหา้ทํามากทางนั้นหาธรรมติดต่อทางนั้น เราทำไม่ติดต่อมันก็ไม่ด้งานเดี๋ยวจับโน่นโดนนี่เดี๋ยววางอันนั้นก็จับอันนี้เดี๋ย ว, ว่างอันนี้ก็จับอันนั้นตกลงก็ไม่ได้สักอันเราเขียนหนังสือก็ให้มันสำเร็จไปเป็นแถวๆนี่เราอย่าสงสัยว่ากรรมฐ า, าน ของเราที่ภาวนาอยู่นี่มันไม่ดีดีหรือไม่ดีเราทำให้มันพอแก่นสารซะก่อนลงทุนทำซะก่อนงานคือเงิ น, งนเงินคืองานเหมือนกันการทำมักง่ายจับจับจะจดไม่ค่อยจะได้สั่งสอนตนเองคำว่าบริกรรมกับบริกรรมกำกับอยู่นี่ก็บริกรรม ถ้าอย่างนั้นไม่มีเครื่องอยู่งานภายนอกที่มาเกยมาพลาดเราก็ทำไปเราทำเพื่อมรผลุญผ่านไม่ทำเพื่อออดอวดโลกจะทำของภายนอกภายในก็เหมือนกันจะกวัดตาดก็เหมือนกันจะทำข้อวัดอันใดซึ่งไม่นอกเหนือธรรมวินัยก็เหมือนกันเราไม่ถือว่าเราจะทาอวดโลก เราทําเพื่อบูชาพระพุทธรธรรมพร ะ, ระสงค์เพื่อมรักผลนิพานเท่านั้นแล้วน้อไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอืจะสะดวกสบายสักเพียงใดก็าตามจะทุกข์จะยากสักเพียงใดก็าตามจะโสเป็นโศตายต่อพระพุทธศาสนามันก็หมดเรื่องเท่านั้นถ้าจะยอมโสเป็นโสตายกับพระพุทธศาสนาก็เสียเปียกพระพุทธเจ้าเสียเปียกพระธรรมเสียเปรียบพระสงค์ มันก็ลำบากอันนะั้นที่นี่เราไม่ยอมโศเป็นโศตายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าทิฏฐิมาณะของเรามันจดฝ้าใช่ไหมเออแล้วก็ต้องไปโสเป็นโสตายต่อผีต่อเพิดต่อเปรตที่นี่ถ้าไม่โสเป็นโสตายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องไปโสเป็นโสตายต่อ เป็ดเสนนางคาฉามิผีเสนนางคาฉามิจูนสนนางคาฉามิมาสรสนนางคาฉามิคารวาสสนนางขาฉามิลูกเมียาสนนางขาฉามินะทีว่าพุทธังสนนางคาฉามิก็ว่าเฉยเฉยเห็นเขาว่าเขาว่าไปตามเขาเคยฮุกเขาฮัดปา่าแก้วเจ้าขาจิงนขา้าวเกล้วย แต่ไม่รู้จะกล้วยกินอยู่ก็ไม่รู้จะกล้วยแก่เอาเจ้าขากินข้ากับอะไรกินข้ากับกล้วยแต่ว่ากินอยู่ก็ยังไม่รู้จะกล้วยก็อันเดียวกันจะทุกจะจนสักเพียงไหนก็าตามจะลําบากยากแค้นจะเพียงไหนก็าตามให้ถือว่าทําบูชาพระพุะทธธรรมประสงค์หมดน่ ถ้าอย่างนั้นผมจะไปฆ่าสัตว์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นมันก็ไม่ถูกผมจะเอาไปเอาเมีอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไปแบบนั้นอีกก็ไม่เลยสุดมันก็เลยสุดอีกเหมื อ, องงนกันวันคือล่องไปล่องไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะทำให้เราเป็นผู้เม่เกอร์ขืนในเวลาเพื่อนมันไปชิดถามนในการภายหลังถ้าเราไม่รับภาวนาเพื่อนสมาธิมาถามเรื่องสมาธิสมาบัติเราก็ตอบไม่ได้เราก็เก้อเขินพูดเรี่องไปเรี่ยงมาอะไรต่ออะไร ในตัวของเราหนังหุ่มอยู่ก็เรียกว่าโลกแต่ละหน่วยละหน่วยแล้วมีน้ําซ้ำอย่างบัญญัติโลกอยู่ในตัวของเรานอีกตั้งหโลกโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจโลกธรรมมาลมบัญญัติโลกกายโลกใจเป็นโลกภายในโลกรูปโลกเสียงโลกกลิ่นโลกรสโลกปุจฉพะโลกธรรมมาลมเป็นโลกภายนอกในพระสูตรนี่ ท่านมันหลายอย่างเพราะสัตวท่องเที่ยวอยู่ในตาในหูจมูกเล่นกายใจท่องเที่ยวในธรรมารวมทั้งหลายเหตุฉะนั้นธรรมะชั้นสูงท่านจึงบอกว่าความตรึกนึกคิดเป็นเครื่องสัญจรของโลกเป็นเครื่องทัศนาจรของโลกพระอริยเจ้าท่านนึกคิดหรือไม่ท่านนึกคิดอยู่แต่ท่านไม่ติดในนึกคิด เหตุฉะนั้นการนึกคิดขององค์ท่านมันจึงไม่มีกิเลสมันไม่จึงไม่มีพิษจิตของท่านที่ไม่ท่านไม่ยึดถือจิตเป็นตนตนเป็นจิตผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้พิษสง์ของท่านในผู้รู้มันก็ไม่มีพิษสง์ในจิตของท่านมันก็ไม่มีจิตของเราไม่ผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาพูดพิษหูมันก็ขึ้นทันที พอเราถือจิตพอเราถือไม่รู้ว่ามันรวมพลมาจากไหนกิเลสมันเกียมตัวอยู่เสมอเสมอทหารทหารดำทหารเสือดามันเกียมอยู่เหมือนยวนมันลบอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเดี๋ยวมันชิ ง, างทางนั่นเข้าเดี๋ยวมันชิงทางนี้เข้า เหมือนพวกข้าศึก <c oughs> โลกก็วิธูรู้แจ้งโลกก็คือรูกแก้แจ้งแจ้งสกลนักายภายในนี้เองรู้แจ้งสกลนักใจรู้แจ้งสกลนาวาจาโลกก็วิธูรู้แจ้งโลกปฏิบัติก็ปฏิบัติอันนี้รุดพ้นก็รุดพ้นอันนี้เรามาลงท่องเที่ยวอยู่ในตาหู้งจมูกเลี้ยงกายใจหลายภพหลายชาติแล้ว หลวงท่องเที่ยวอยู่ในรถหลวงท่องเที่ยวอยู่ในรถก็ตรงหลวงท่องเที่ยวเข้าไปในซุวมอีกเหมือนกันหลวงท่องเที่ยวอยู่ในตาหลวงท่องเที่ยวอยู่ในหูอหลวงท่องเที่ยวอยู่ในจมูกหลวงท่องเที่ยวอยู่ในกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสารพัดเหตุเชนั้นพระนิยายเจ้า จักขุดสมิงปินิบินนติท่านก็เบื่อนายที่หลงตารูปเปสุปิณิพินนติท่านก็เบือนายในรูปจักขูวิญญาณีปิณิบินนตินายจักขูวิญญาณจักขูสัมผัสเสปิณิบินนติก็นายจักขูสัมผัสที่เกิดเมตตาขึ้นสเสวยเมตตาสุขทุกขเบวขาอุปัชติเกิดขึ้น วทยาาสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีอุเบกขาก็ดีท่านก็เบื่อในาใยครายเมาไปหมดเบื่อนายความหลงของตนที่ยึดถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองเบื่อนายรูปแต่ก็ดูรูปอยู่เบื่อนายเสียงแต่ก็ฟังเสียงอยู่เบื่อนายความหลงของตนเพราะความฉลาดอยู่เหนือแล้วพัฒติพระปัญญาอยู่เหนือแล้วสติจะมีมากสักเพียงใดเพราะบรมศาสตร์าก็ไม่ได้บอกว่าฟาุ้งซ่าน เหตุเช่นั้นก็มาทานทุกอย่างทุกอย่างจึงมีสติออกหน้าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติกายกตานุสติมานานุสติอาณาปานสติมีสติออกหน้าออกหน้าเสมอถ้ามีสติปัญญาก็เกิดในสติสัมชัญญะก็เกิดในสติศีลก็ต้องอยู่ในนั้นสมาธิก็ต้องอยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้น สติเป็นของอยู่เหนือโลกก็ว่าได้ถ้าสติไปในทางโลกุตละ<ส>เห็นนั่นพระลหันว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะให้ไม่ใ ห, ให้ใครโจ์ท่าน้วยอาบัตเลือกสติวินยัยความที่ทรงสบประกาศให้สมมุิแก่พระลหันว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจดท่าน้วยอาบัตเลือกสติวินยัยยกฟ้องของโจดเสีย ไม่สมฐานะาของโจทุที่จะไปฟ้องพระลาหันว่าทําการละเมิดดังที่โจทก์กล่าวหาเพราะท่านมีสติเต็มที่เป็นเพียงใช่สันติวิวธีให้ให้สติวินัยเท่านั้นไม่ได้ปรับอาบัตทุกข์กฎหรืออะไรกับท่านมีสติอยู่เหนือความหลงของตน ว่ามีสติอยู่ในความหลงของตนก็มีปัญญาเหนืออยู่ในกิเลสแล้วนี่ในความหลงของตนเหมือนกันาการประทานทุกอย่างทุกอย่างจึงมีสติออกหน้าสติประทานสีก็เหมือนกันพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายในข้อสาวว่ากายไม่ใช่สมุทตคุตัวตนเราเขาเรียกกายานเวทนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี <Ven> ่ก <Stones> ็ส so like <avais> ักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเวทนาโนเวทนาสติก็กำหนดพิจนาใจที่เศรามองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกจิตตาโนัวทนาสติกำหนดพิจนาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมามโนปัสสนาตามสมุทินั้นอันนี้เรียกว่าพิจนาอนัตตาลงถึงอนัตตา พระท่านอธิบายยอ่อสติปัฏฐานสี่อย่างพิสดารก็อยู่ในขิณา น, นทัศน์และในมหาสติปัฏฐานสูตรสวดมนต์เฉพาะหลวงอย่างพิสดารถ้าเรารู้จากอย่างย่อแล้วถ้าเรามีปัญญามากจะพิสดารไปไหนก็ชักสู่ลงอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นอธิบาย พิษเดานไปทางไหนก็าตามเพราะในไตาโลกธาตุอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นผู้ครองแล้วเนี่ยถอนไม่ออกเพระบรมศาสดาก็ไล่หนีไม่ได้อันนี้จังทุกขรังอนาตาัตตาเอ๋ยเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเธอทั้งหลายอย่าไปครองโลกนะพระบรมศาสดาก็ไม่ว่าท้าจึงลาหนีซะ สอนให้แต่ละคนละคนเบื่อนายแล้วพากันหนีจะไปลบให้อนิจจังไม่เป็นอนิจจังเพราะบรมศาสตาก็ลบไม่ได้จะลบทุกไม่ให้เป็นทุกเพราะบรมศาสดาก็ลบไม่ได้ก็ลบสู้ไม่ได้ลบสู้ได้เฉพาะส่วนตัวของท่านจะลบสู้ต่างคนอื่นไม่ได้เป็นเพียงที่บอกคนทางให้หนีอย่าให้ยินดีด้วยให้หนายใช่ไให้พิจารณาเป็นเครื่องนาย นิพพิทายานให้ใคลายกำหนัดเสียถอนคืนซะยาโคปตินิสโกให้ถอนคืนไม่ให้อะไรอะไรในสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอย่าอะไรจงลาเสียเถิด ออกจากสังคมนั่นเสียให้เข้าใจสูงไปกว่านั่นซะอย่าไปยินดีในสิ่งเหล่านั้นผู้ยินดีในโลกก็คือยินดีในอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ยินดีในเกิดก็คือผู้ยินดีในอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้เอื้อมละอาในวัฏจัสงสารก็คือเอื้อมละอาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รวบหมัดลงมาที่นี่ซะ ผูหลงก็หลง อ, อนิจจังทุกขั้งอนัตตาผู้ไม่หลงก็ไม่หลง อ, อนิจจังทุกขั้งอนัตตาสกลละกายของเราอยู่แต่ อ, อัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสมบัติพัสดุภายนอกก็เหมือนกันที่เราสมมติว่าเร า, เรา เ, ราเราเขาเขาท่านๆเกิขึ้นในกาแฟปวนนี่แตกสลายอย่างผึ่งผายเลยไม่ละอายเลยแกก็ไม่ละอายแก้มตอบฟันหักหัวงอก ไม่ละอายเลยสิ่งพันธุ์กูลก็ไม่ละอายเราเราหลงสิ่งที่เป็นปันธกูลนีล่เราถ่ายเข้าไปเราฉันอาหารเข้าไปมันก็อร่อยอร่อยมากตามสมมุติปฏิเสธไม่ได้แต่เวลาถ่ายออกมาก็เหม็นมากปฏิเสธไม่ได้ก็พูดตามเป็นจริง เาในเห็นโทษความหลงในวัฏสงสารทั้งนั้นละ่ะเห็นโทษในความหลงที่เกิดที่เกะที่เก็บ ท, ที่ตายที่ทุกข์ผลของโลกคืออะไรทุกข์เท่านั้นผลของโลกภัยของโลกคืออะไรทุกข์เท่านั้นทุกข์เป็นแฝงใหญ่ของโลกทุกข์มาจากอุปาธิคือกิเลสคืออวิชชากิเลสกับอวิชชาก็อันเดียวกัน กิเลสก็ความหลงก็อันเดียวกันกิเลสก็ความไม่รู้เท่าก็อันเดียวกันกิเลสกับพระมุลกรรมกรรมที่เคยชินมาก็เหมือนกันก็อันเดียวกันที่เคยทำมาชินมาไม่รู้จักจะออกหนทางก็อันเดียวกัน สัตว์ที่มันเกิดมาทีนี่ใครไปสอนให้มันมันโกรธกันมันกัดกันมันก็ติดมาขันธัศนดานมาแต่พวกคนก่อนนั่นที่นี่มันยินดีในกันในการทําการมมาลงของกันเช่นชุนนักอย่างนี้เน่ะมันไปเรียนมาจากไหนก็มันติดสธนดานของมันมา หลายพหลายชาติถ้าเราจะพูดอย่างเปิดเผยอย่างถึงธรรมะสุนักมันจะมีปีเดียวเท่านั้นในระหว่างเดือนเก้าเท่านั้นมนุษย์ของเราเนีย่ยิ่งกว่าสุนักไปเสียแล้วไม่มีเดือนไม่มีปี เอาหนังต่อหนังถูกกันเอาดินต่อดินถูกกันอยู่ทุกหนทุกแห่งอันนี้แ่ะเป็นข้อสำคัญที่ผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ในวัดตาสงสารเหตุไฉ น, นจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะหลงถือว่ามันสวยมันงาม ถ้ามันเห็นร่างกระดูกอยู่แล้วชไนเห็นร่างกระดูกเหมือนซากศพอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วความรักมันจะมีมาจากประตูไหนที่นี่ความที่หลงว่าสวยว่างามก็ไม่มีแล้วสวยงามก็คือคิดใจที่เห็นธรรมเท่านั้นถ้าคิดใจที่ไม่เห็นธรรมจะเอาสวยงามมาจากไหนเห็นธรรมอันขาวปฏิบัติธรรมอันขาว ปฏิบัติทำเพื่อลดข้นพ้นราคะเรียกว่าสวยงามปฏิบัติเพื่อส่งเสริมราคะเรียกว่าไม่สวยไม่งามเพื่อส่งเสริมโทวะก็ไม่เรียกว่าไม่สวยไม่งามก็เรียกว่าพัฒนากิเลสไม่ใช่วัดพัฒนาเพื่อพ้นจากกิเลส เราได้รับทุกมาในวัฏจัรสงสารมันเป็นอาการย์ของเราให้เคสลาบเราได้รับผิดเราทำผิดมาในวัฏจรสงสารก็ここเป็นอาการให้เราเคสลาบเหมือนกันเราจะได้จำไว้จะไม่ได้ทำผิดอีกความผิดก็เป็นอาการเพราะเราจะได้เคสลาบความถูกก็เป็นอาการย์เพราะเราจะได้จำไว้จะได้หัดปฏิบัติตน ใครๆก็ผิดมาทั้งหมดนะไม่ได้เกิดเป็นพระรหันมาแต่ในท้องหรอกใครๆก็ได้มาเรียนตก ก, กาชร ะ, ะอาหมดนะไม่ได้กราช ะ, ะอามาแต่ในท้องหรอก เราหวังคิดวางใจให้สูงไปกว่ากิเลสเท่านั้นทุกวันนี้ถ้าจิตใจเราไม่สูงไปจากกิเลสนั่นเราก็จะได้อะไรทีนี้ไม่ว่าแต่เท่านี้หละกุติเราจะสร้างรอบภูเขานี่ให้สูงร้อยห้าสิบชั้นก็าตามมันก็หักก็พังลงถึงร้อยห้าสิบชั้นละ่ะทางรดไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้ เขาจะลาดยางหรือลาดปูนมาก็าตามหรือขี่เครื่องบินมาแล้วไปวิญญบาลขี่เครื่องบินไปขี่เครื่องบินกลับมาอีกมาลงที่นี่อีกถ้ากิเลสเราเต็มที่อยู่เราก็จะได้อะไรมีปัญหาเข้ามาในที่พูดนี้ไม่ได้ประมาทโถนดานไม่ได้ประมาทท่านพุท ม, มาสร้างพูดให้เราไม่ติดอยู่ท่านั้นให้เรารู้จักทั้นสูงสําหรับเตือนเราที่ไม่ให้หลงในอามิตเท่านั้น อามิตรจะมีน้อยมีมากแล้วก็มอบให้เป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะแปลว่าเราเป็นข้าเป็นทาสของท่านมาเรียมารีมของท่านที่นี่กิเลสของเราก็ไม่พยองจะมีมากก็ไม่พยองจะมีน้อยก็ไม่พยองแต่เมื่อมาเกยมาพ่าเราก็ทําช่วยไปถือว่าทําช่วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งไม่นอกเหนือธรรมเวไนย เพื่อแรกเปลี่ยนเข้าสู่พนันธุ์พันธุ์ค่ายเข า, เขาเอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้แต่เขาไม่ได้กินปุ๋ยเขากินผลไม้เนี่ยขี้เป็ดขี้ไก่ก็เหมือนกันเขาเอาไปใส่ผักแต่เขากินผักทันไใดก็ดีพระจัยสี่ทีวามิตทบาศถึงจะมีน้อยอีมากเราก็ไม่ติดอยู่เพราะเราเรารู้จักอยู่ว่าแล้วสังขารเือขึ้ น, น, นในแฝงวรจแตกสลายเราจะพยายาม ปฏิบัติให้สะดวกเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่นั่งที่นอนที่อาศัยทำเพื่อสะดวกให้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ไม่ใช่ทำให้สะดวกเพื่อส่งเสริมกิเลสมันมีเท่านั้นเราจะกินน้อยกินมากนอนน้อยนอนมากก็ไม่เพื่อส่งเสริมกิเลส เพื่อปฏิวัติเพื่อบทุกเท่านั้นเราอย่างลงอันนั้นแห่งเดียวแล้วมันก็หมดปัญหาหรอกเราเกิดมาเพื่อตายเราไม่ต้องตายมันก็ตายถ้าสมมุติเป็นเราเราควานจริงก็สังขารเป็นผู้เตกสลาย พระนิพพานไม่ได้มาแตกสลายด้วยพระนิพพานไม่ได้มาฟังเทศด้วยไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาใช่อารมณ์ด้วยเราใช้อารมณ์เรานั่งเราพูดเราปฏิบัต <m> ิเพื่อไปถึงพระนิพพานเท่านั้นเพื่อจะตัดความเพลินของเราในวัฏจักรสงสารเท่านั้นในความหมายเท่านั้นความเพลินมีในวัฏจักรสงสารมีเท่าไรเราจะตัดออกเราจะรู้ตามเป็นจริงด้วย <c oughs> จะมีผู้เอาเงินมาให้วันละล้านบาทเราก็จะพยายามไม่หลงไม่ต้องได้พยายามมากเพราะเรารู้จักว่าเป็นสมบัติของพระสมมาสมุทธเจ้าอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วก็ไปป่วนนั้แต่สลาย น้ำบัตรของพระพุทธเจ้านำลายของ พ, พระพุทธธรรมประสงค์ท่านบวชทิ้งแล้วท่านเข้าสู่พรพ า, านไปซะท่านนเปนไม่มาเป็นคู่แย้งไ ม, ไม่มาเป็นคู่ขี่หิงกับพวกเราแต่พวกเราไม่รู้จักอี๋หนูอี๋นี่ก็แย่งน้ำมูดน้ำลายของพระพุทธธรรมประสงค์ก็เกิดข้าฟันรันแทงกันสารพัดทั่วทักทั่วทุก ยอมย่ายความเป็นจริงของพระนิยาเจ้าเหล่านั้นละทิ้งไปหมดแล้วไม่สู้ดอกไม่สู้ดอกเพราะไม่เที่ยงเพราะแตกสลายเพราะเป็นอนิจจังก็เลยลาไปแบบดีๆลาเจ้าของนั่นเองแเราพูดได้โ ป, ป้งๆเลยจะใะวันน้กกีล่าเราก็ไม่ตื่นเราถือว่า เป็นของประพุทธประธรรมประสงค์ทางนั้นในแต่โลกธาตุนี่มีน้อยเราก็ถือว่าเป็นของประพุทธประธรรมประสงค์จะไปวินท บ, บาตมี่ผู้ใส่ข้าวให้เม็ดเดียวเราก็ถือว่าเป็นของประพุทธประธรรมประสงค์เราไม่ถือว่าเป็นของเราถ้าเราถือว่าเป็นของเราได้น้อยเราก็เราก็โกรธได้มากเราก็ติดอยู่นี่ถือเป็นของประพุทธประธรรมประสงค์ซะ นักก็เอาเบากระสู้โ s เป็น so ตายต่ อ, อพระพุทธธรรมระสงฆ์ so เป็น so ตายต่อมรรคผลนิพพานสิ่งเดียวจะทํางานวันยังค่ําก็ตามโ o เป็น so ตายอุทิศต่อทั้งพระนิพพานสิ่งเดียวเนี่ยจะเป็นงานหยาบๆหนันกๆ ก, ก็ตามตากแดดนอนฝนก็กตามอิดเหนื่อยเมื่อล่าก็กกกตามเพราะเราไม่ไปฆ่าสัตว์รักษาพระพุทธผิดในกรามเรียกว่าสมารกรมมันโตแล้วเราทําอยู่ทุกวันเนี่ยการงานชอบแล้ว ทั้งเดินจงกรมทั้งภาวนาทั้งกราบพระเพราะเรามานอนกินข้าวเพื่อทํางานภายนอกเฉยๆภาวนาเราก็ภาวนาอยู่อนอนกว่าจะหลับเราก็นอนหลับขาภาวนาเราจะเป็นโทษอะไรอถ้าเราเป็นโทษพวกที่เขาไปฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตสวรรค์จะให้เขาขึ้นไปหมดหรือพวกเราลงนรกหรือนี่ปัญหาของมัน สวรรค์นิพานแต่งให้พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลัค ก, กี้รักป้นี่พวกเราลงสู่นรกพวกนั้นต่อไปหมดอย่างนั้นหรือเราก็ต้องพิจารณาอีกเหมือนกันอันนี้ ม, มั่นเมืองเป็นเจลาจนสมัยมาถึงเพียงนี้แล้วเรายังยินดีในพระพุทธศาสนาอยู่ก็เรียกว่า เรามีวาสนาอยู่มากแล้วได้สร้างบารมีมามากแล้วในเวลาหัวเรียวหัวต่ออย่างนี้พวกเรายัางมาพึ่งร่มโพ ล, ล่มใทรของพระพุทธศาสนาอยู่ยังไม่ได้ประมาทยังได้ปฏิบัติตามสติกำลังของแต่ละท่านนะท่านอยู่ก็เรียกว่าพวกเราสร้างวาสนาบารมีมาได้บ้างเลย ชังเวทตนเองที่มาท่องเที่ยวในวัตชาช่องศาลมาชาติใดชาติใดก็มาเกิดแก่เก็บตายมากินมาขี้มาหิวมาอยากมายิดมาเหนื่อยมันเป็นพยานอยู่เล่เในตื่นหนึ่งแล้วก็มีเ่รอขให้เราทั้งหลายตั้งใจตามสติสติกำลังของแต่และท่านละท่าน พระ จ, จสี่จีวามินทบาทเป็นมาเองดอกไม่ต้องประสงค์เมื่อได้เห็นใครเปื่อยกายไปบินทบาทสักท่านไม่ว่าวัดบ้านในวัดป่าวัดบ้านก็เหมือนกันเขาก็ปฏิบัติ ด, ดีอยู่ญาติโยมไม่เห็นท่านผู้ใดเปื่อยกายไปบินทบาทสักท่านเพราะในใจโลกธาตุไม่ใช่ของใครของทั้งขารของกองทุกขผู้ใดมีทุกข์ก็ต้องมาท่องเที่ยว ผู้ใดไม่มีทุกข์ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเป็นนรกของผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารใจโลกทานุผู้ที่โทษเบาท่านก็นไปแล้วหัวโทษท่านก็นไปแล้วคุวกใส่กองทุกข์ก็คือใจโลกทานเมื่อผู้ใดเคหลาบผู้นั้นก็ตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อออกเท่านั้นผู้ใดไม่เคหลาบก็ต้องมัวอยู่เพราะกรรมยังบันดาลอยู่ แต่นานไปนานไปเขาก็เคล็ดหลาบเหมือนกันซัดแต่และตัวละตัวจะไปพระนิพพานหมดมันแต่เป็นคนละวาละเท่านั้นนกหนูปูปีกจะไปพระนิพพานหมดแต่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าองค์ไหนยังไม่มีคิวเท่านั้นมดตัวแดงเมงตัวน้อยก็เหมือนกันเขาก็จะไปพระนิพพานหมดแต่ว่ายังไม่มีคิว พวกเราจะทำให้มีคิวที่นี่เพราะพวกเราไม่ใช่ชั้นมดการไปบินธบเป็นหน้าที่ของเรามีสิทธิ์่วนจะให้หรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของเขาเขามีสิทธิ์ ส่วนเราปฏ to so so, so to do, ิบัติในพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราส่วนที่จะนับถือหรือไม่นับถือเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปตีพุ่มตีป่าม้ยให้เขาเลื่อมใสนับถือนี่เราปฏิบัติเพื่อคนทุกขต่างหากเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้คนติเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้คนชมแต่เป็นเรื่องติเรื่องชมกับเป็นเรื่องของเขาซะ เรามุ่งเพื่อคนทุกอย่างเดียวท่านั้นปัญหาของเราไม่มีมากดอกบางทีเขาก็ติเราบางทีเขาก็ชมเรามันก็เป็นเรื่องของเขาก็มองเพื่เขาซะคนอื่นท่านผู้อื่นเราหวังเพื่อคนทุกเท่านั้นเราไม่หวังว่าจะมาเล่นมวยเอกกับเขากับโลก เราไม่หวังว่าจะมาเอาแพ้เอาชนะกับโลกแพ้ก็แพ้เกียรติของเราชนะก็ชนะเกียรติของเราเราน้อมลงมาเท่านั้นปัญหาของเราไม่มีมากหรอกใครจะว่ายังไงก็ตามท่านเราหวังเพื่อคนทุกขเท่านั้นเพื่อพ้นจากความหลงของตนไม่อยากมาท่องที่ยื่นอีก แนวาตาสงสารอันนี้คิดดูที่เราผ่านมาแต่เกิดมานี่มันก็พอหกขมีนให้คอหักตายแล้วหน่วยและอาแสนทุกข์แสนยากที่ผ่านมานี่จะผ่านไปข้า้งหน้าอีกก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาก็ห่หอบาทวิ่งลงภูเขา เป็นที่ค่าปากเป็นคี่ค่าท้องถ้าไม่ไปก็อยู่ไม่ไหวอีกที่อยู่ที่อาศัยถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ฝนก็ตกมาถ้าทำมุงหญ้าหญ้าที่จะมุงต่อไปอีกวันก็ไม่มีมันมีแต่สิ่งที่ยากหมดถ้าทำดีมันก็นานหน่อย ถ้าทำไม่ดีเดี๋ยว ก, ก็ทำอยู่บ่อยๆถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพราะสังขารอาศัยสังขารจําเป็นสังขารก็ต้องบํารุงสังขารไว้พอถึงวันตายพอถึงวันพ้นจากกิเลสบางท่านทําดียังไงเอาหญ้ามามุงพี่หญ้ามามุงก็ลําไรปีหนึ่งปีหนึ่งก็ ได้ขึ้นมุงกันอยู่สมอเสมอเนี่ยเขาก็มีปัญญาดีเหมือนกันบ้านนี่ยลูกปู่ลูกปู่ลกปู่พัฒนาจะเอาไม้ไฟฟ้าเออเอาหรือไม่เอ า, เอเอาก็าถามลูกหลานนี่ลูกปูห่หาเงินไม่เป็นลูกปู่ก็พูดตามเป็นจริงลูกปูห่หาเงินไม่เป็นเอาหรือไม่เอาก็าถามลูกห ล, กลานเลย แล้วปูห่หางงันไม่เป็นมาคอกินกับพวกลูกๆร้านอยู่อย่างนี้ลูกปู่จะเอาเงินมาจากไหน ล, หลูกปู่พูดอย่างนี้มันก็จนใจแลนะพวกเราเขาก็เลยเอากันแล้วก็ช่วยกันมายกหนึ่ยุคที่สองก็คนโยมก็มายกอีกก็จึงพอได้เห็นบ้างใครจะว่าเรา ย้อนก็ตามวัดพูเจ้า ก, ก้มีไฟฟ้าพวกเราไม่ได้เอาวัดท่านในจารมหาบัวไม่ได้เอาคุณโยมสุปปองมหาเทศเราเหมือนกันมหาโอวัยเทศ เ, เหมือนกันแล้วก็ตอบว่าเออถูกเล่าท่านในจารมหาท่านไม่เอาเพราะวัดของท่านก่อนดินเล่าวัดของเรา พระอาทิตศแสกก็จะตกเหี่ยวตายอยู่แล้วว่าท่านปีนไปบินธบาทสี่วันหาวันก็ไม่เท่าเราปีนลงไปชั้นอาหารถูกแล้วท่านไม่เอาแล้วปู่มหาเพราะท่านเกง่งพระจะลืมตัวอันนี้ถึงยังไงมันก็ไม่ลืมตัวหรอกคุณโยมถึงจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ลืมตัว เขต้องนายดูแลอยู่เสมอเสมอเขาปีนป่ายขึ้นเขาลงหัวยอยู่เสมอเสมอมีกองทุกประจําวันอยู่แล้วพวกดินลาบท่านตัวดินทะบาทยี่สิบสามสิบวันก็ไม่เท่าปีนป่ายขึ้นภูเขาวันหนึ่งเหนื่อยมากไม่ใช่กําลังมากที่นี่สุกทุกมันมีใครมารับรองให้เป็นเฉพาะของใครของมันท่านจะวายยังไงก็ยอมให้ อื่นจะติเตียนจะเพียงใดก็ยอมให้กรอบม่อภัยพเพื่อนของท่านผู้อื่นซะแต่เรื่องของเรามันทุกมาแล้วคู่บาอาจารย์ที่ผ่านมาห้าสิบหกสิบพรรษาก็มีท่านผู้ใดได้คอห น, น้ามาถึงสิบสองปีเหมือนอัตมาหรือไม่ขอ น, น้ำปีนขึ้นเขา ต่ว่ายังไงก็ยกให้ท่านซักไม่ต่อสู้ดอก mm. เขาก็เลยหมดปัญหาทีนี้ mm. ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งที่อย่างเพียงอย่างหนึ่งเอาไปเปรียบกันหมดไม่ได้เพราะความขด ข, ข, ข, ข, ข้องแต่และอย่างละอย่างมันมีเช mm. mm. mm. ่นบิณฑบาดของหลงปู่มหาอย่างนี้ท่านเข้ามาในวัดไม่รับมันชมเหตุสมผลแล้ว ทางก็สะดวกคนทางลาดยางถึงวัดเขาก็แย่งกันมาใส่บาทอันนี้เราจะถือธุดงหรือไม่ถือธุดงก็ไม่มีใครมาแย่งใส่ก็พักหวานหอเก่านั่นพัจัดพัวานีิก็ไม่มีคนต่างทิศที่จะมาแย่งใส่บาทสาหรับอาหารไม่ไม่เป็นเหตุจะลืมตัวอยู่ในที่นี้หลวงปู่มหาถ้าไม่ ถ้าไม่ถือทุดงไม่เว้นอาหารมันลืมตัวเพราะอาหารมันมากอันนี้อาหารไม่มากไม่พอยจะลืมตัวเราก็เล่มมดปัญหาเราก็ระไรจะทุดงหรือไม่ธุดงก็นำมาให้อันเก่าซนะผู้มาให้ก็ผู้เก่าเราวางสิไม่ได้แย่งกันมาจากทิศไหนเราว่างสม มันเป็นทูดงหน่อไม้อยู่แล้วอนะวาเองสิก็มีอันย้อนเนี้ยหลวงปู่มหารัตน์คำว่าถือทูดงพระ่ถือทูดงบล่มันสืลืบตัวมันหลยโพดอาหารนะเพราะว่าไงนี้เสือเพลนกระดังก็เท่านี้เทาอย่างพู้นได้กระยาิไปกินไปท่านน้าเพลินเทาอย่างมบิพื้นได้พอเสือมายากินอยตาท่านพอเสื่อมตัวในเรื่องอาหาร ไปถือทุ่งงจังไอีกกรอกดเดียทุกโพแห่งเนี่เมตาลวาว่าโอ้ยเทเด็ดเด็ดเดียวเดียวก็นี่ได้เปยยหยั่งน้อเขาน้อยแม่สันเพลินห้าใสซมัดท่งนี่เดียวนี่ยบาเบาจะเตี้อคนเทเด็ดเด็ดเดียวเดียวก็นี่กับพยานได้ไม่ออกวะให้อัจฉรเข้าไปอยู่ในทมอันนีส้สแลกอัดซะละอัดไแลกกับทีมลุงระเบิดเข้าไปนักฮันละ อันค้อหน้ามยู่นี่ระเจ้จักปีหรือได้หรือวะปีนป้ายขึ้นเขาลงหัวอยู่หนี่ระจ้กปีหลือเด้ว่าอันนี้มันเด็ดเดียวบุหรือมันยังไหนสัวนว่าใหญเด็ดเดียวยังไหนอีกหรือจะให้อันเอาโซแขนข้อไสแล้วก็ถือค้อนพ่อเราก็ให้ผายบาดแรนอ้อมผู้นี่บอกว่า <c oughs> ตัวหลวงพ่อขุนชั้น <c oughs> โอ้ยยังโมยังก็ล่มพังลงแล้วไม่ตาน่ะผู้บ่าอาจารย์องค์ไหนวะสัญ มาโสดเป็นโสนตายเน่นผู้ในเขานี่จนถึงสามสิบจนถึงยี่สิบเ็ดยสิบแปดปีติดติกันทั้งค้อน้าขึ้นพอมวะจันฉันว่าไปมุกวะจันก็สามขึ้นเหมือนจังหอดตัวหัวก็ไม่ห่อนข้างคือหัวมาล่ำเนี่ยที่หาปีมานีตัววะจันทอย่างเดี ย, เ ด, ยเดียวจังไรอีกวาจันทร์อยเดยเดียวอีกตันี่มันกับพญากแล้วยัดเขาไปในธรรมนี่ก็ว่างลูกระเบิดเขานี่วะจันตัว <laughs> เราพอเล้ย่อมาอุกงไว้เราก็ได้มบม่ว่าเขาเคยไล่เขาเนีย่ยเขาไปซื้อพระเจ้าวายเขาเอาเงินพระไปซื้อเนี้ยเนี้ยเขาจะว่า เ, ออเคยเห็นพระกรรมฐานใส่น้ำหลายทีย่ไม่เคยได้ไปไล่บอลเชื่อไหมยังก็ะด้อหาน้ำพร่านเจ้าเจ้าพระท่นไม่น้ำเลย ห้มาหลายได้ไห้หายมูเฮ้าเสือมายังกะระดอ บ, บ่แล้วเสือเก่าเงินพระเสือบ่ได้แพ้เจา้าพี่น้องว่าบ่เงินพระก็จริงยุคเขาหน่อยไม่หลายแล้ว่ะไรอย่าซื้อมายังกระรอโยคะขันโ ม, ม้ไเลียกับพยากเลยว่าเขาเสือมาเลีวเอาไปเลี้ยงหน่อยเสียะก็ตั๊กข้อนอั่อาตมาอาตมาจะทุบเล่นวะต <laughs> ัวความกันรน <laughs> มัดก็บอกแล้วกระดอสมองอะไรซ <laughs> ึ่ว่าไม่จะทุบเล่นกันมาถึงแล้วต น, นั่งเงนสร้างมาออกมนานะหมอองที อ, ออกบ้างเลยเอ่ไปไปพักที่นี่เ ส, ส, ส้นซุกไปซุกซี่นี่ใจผู้ใต้เรื่องนางเขามาปปนบานรอยยิ่งปุนบมวัติเรียนนี้เรค่ังเขามาปปนบานซื้อปืนรอยยิ่งปุน ไมงคงง่ายบอกใจผู้ใจผู้ใต้ใจน่างคุณสรศรษฐีเลยพัวที่เรอบไปคาพัวที่เรอบไปคาแล้วก็มิ้วใบโอ้ยคันจิตตายเมือนี้อีกแะ ขอให้ดวงแก่ยัง บ, บาดสะก้อนทอนมาถ่านนั่งปล่อมาอยู่นี่มูอห้องว่าสั่งให้ขอทำมาทำว่าวสะก้อนมาถ่านนั่งก็ได้ขอเขารลบน้าผือสะก้นอนขับมันนองสิตายมือนีอีนี้ก็ได้ขอให้คุ่ยืนอยู่นี่น้องสิกาบสิวายก็ลืบมันแล้วาันคนไปคุ้ยได้ไประวัติบนเจ้าตองตายมือนีได้คอยจะขาเจ้ามือนีกัได้คอยจะบวงสรวงกหอนกันก็คอยจะได้เจ้าเนี่ยคอยจะบวงสรวงผีไปกับข้าท่น ขอยจังพผนจากโทษมากปัญญาคุยยิ่งจะไปิดวาบกบอกเก่งเลยโอ๊ยขันบอกยังสั่งกันั่งเขว่าโอ้ยเจ้าสิเอาหน้ามัเลยะได้ตัวของอยู่ในพ่ออยนี่ว่าท่านบ่พ่อเมีเจ้าสิวา้ข่อยยังได้เจ้าก็ต้องตายตรนี้ว่าท่นเจ้าสิไปอ่อยพ่อเมีเจ้าฟังว่าว่าข่อยเอาสายซอน้ำคอน้ำงั้นเจ้าไปกินว่าท่าน มันเป็นเรื่องเงาวจังได้แก้วเจ้าต่างตากครับเออขนอยจังสันกัขอให้คุณพีช่องเมตตาให้เลยทำวมะธรว่าจันอยสกปรนถอนให้ขอสมขับสกปรนถอนขันติตายมือนี้ียียก็ได้คอยโดมเกี่มดมยั้งเข้าไปน้ำแข็งน้ำคาดโดมเขาไปเพลอะเด้มาสั่นว่าคุณพีหยืนยุณพีมาสั่นหันหนามาทั้งนี่าั่นให้นองเลวาครับครับัเด้ยวา กาบตีนลูกขมา้าน้ำแข้งน้ำคานี่ดวดมแก้มแล้ววานี่โอ้ยคนเพียร น, น, น้องใ่นี่จากคนเพียมาเนี่ยคนพี่สิขาดนอ้องใจกระที่ยวอ่อนใเนี่ยเรหันเราฉีบว่าเด้ละวระวงเขาซอกงัดลงแล้ววานะลรัดลงเหวเลี้ยขาเป็นทอนหน่อยทอนใหญ่ลงปบ่อยมึงไงตัวยิ่งงงแบบนี้กูยิง่งเจ้าพี่น้องจะไปพระมาบ วันหน้าคหนิ่งเวี่ยงที่ทิงโจรหมดหรือว่าเฮวียวันไหนวุนนี่หน้า ม, มุนทะลักเฉียดสีอะไรพวง่ายหวก่อ น, นี้ไปบวชถ้าเสรแล้วน้ำพวกก็ได้ผ้าศกเก่งทั้งโตัวตอบปัญหาแรเลาไปเห็ดกองทรายไปได้เหมือนหนึ่งเราไปมินทบาน เราเป็นนั่งบริภาสุกภาษาลิตกรกะเพิ่มบรรดาลไปทา้งนั้นเผยกองทรายไว้นี่ยเล็กน้อยเขาไปหุ่มบึงเล็กน้อยเว้ยท่านพูดได้สามารถแก้ปัญหานั่งเลจังไหพ้พันมาเตมาพังเน้อว่าสันว่าแก้ปัญหานั่งเลยามาเตะได้หรอวะเล็กน้อยต้งเขาปเปิดเนหล่อบ้านล่เมืองบรรดาลภาษาลิบกะเพิ่ม นี่แม่กองไส้ผู้ได้ปักน้องไหม่ไปนี่ามเยงน่อยกองไส้นั่งหนึ่งเขาไปบินเทบาทใดน่บ้านนียนะพลช้างไหวบ่ไปเตไปตองเลยวะสันพระผู้เป็นเจ้าอย่าไปเตไปต่องเลยวะสันคำว่าแก้ปัญหาเราได้วะสันเราวายจังสี่วะสันภาษีพิ่เก็ทีบทีมซะทีบทีมเ่งก็ขาไปบินเทบาดนี่บ้านนี่มันจะไปคนอาช่างแล้วเพอมันบ้านงยเตะ ออกมาม้าไห้เล็กน้อยโอ้ยมีพระองค์เจ้าองค์นึงเขาไปนี่องคนึงน่งนี่ม า, าส<ะ>มามาั่นมาถีบกองเนทรายนี่มาสั่นัมันไถมันคือเก่งชะนอแต่เลือดึ้นนาแล้ไรเรบอกค้ายน่ิดน้อยเพื่อกะ็ะือออกมายดอกคือไปเขาไปทั้งนี้ละมาสั่นออกมาออกมาเนะ่ยถ้าพู้เปเจ้าหรือมาทํากองทรายนี่ชั้นนี่มาสั่นะนะนะเออเล่านี่ละ่นะถ้าผู้เเจ้าสามารถ แต่ปัญหาดิฉันนาบอกว่าอ่ brasile, าที่ได้บ่าได้ขวาม้ามองดูว่าถามมาขอทีหนึง่งขอทีสองเอก็หน้ามากิ่งนี่ละคือมี1นึ่มีสองมันยังมีสองมมีสามันยังมีสามมมีสีมันยังตอบได้มดราษาดิบุษนเนี่ถือนั่งเขย่อมว่าถือวัคบุโยตัวกำถามห้าหลลยไงห้าคำถามจะขอดีไหมนะวาสันระษาดิบุษเพิ่นถามไปขอดีบุษราคาอางยัง ตายนี่แก่ว่าได้ถามหาพระพุทมัสสตาดาท่านนี้ลูกศิผู้ใดเป็นอาจารายของท่านเพื่อนพวกนี้ก็ไปหาพระพุทมัสสดาเพิ่งก็เลยให้บวชไปบวชน้ํานั่งิษุนี้ก็เลยมาบวชนำพระทิสุสงฆ์อีกก็เลยเล่าพระวนาพรท่านโดนแล้วก็เลยสำเร็จพระ่ันได้ไงขาด้วยตายพนึงหนึ่นก็ยังสำเร็จขาันตัวของเขาของเราของมันถิอขาเรา ขาผัวแล้วเว้ยผันหน้าเหน้อผัวแลวสังขามาแล้วมันนคนคนที่เป็นพระหารนันนี่แล้วจะเข้าใจว่าเมเป็นลูกลุเสถีมันได้พวกคนโจรก็เป็นได้ขอมแอเนแล้ว่า่ง สาวของพลหมวกข้าราสบริพามีตรลูกเศรษฐีบริสันบอลสุโมเมนเศรษฐีก็มีพระราภาพัฒนนี่ก็ทุกปัญหาอย่างนั้นนั่งคุณธนราเศรษฐีนี่ก็เลยรับทุกข์ดูแต่เป็นลูกเศรษฐีดอกหรชุ่มทุกกันก็มีนี่โจรพวกห้าร้อยมุนเนเดนสมณะสมณีสมณีเอนประเทศเอามันใครทามหาโจรห้ารอยเนี่ยเออ อ่สมณะสมณีนหรือหรือบรรพิตสัจธรมณินเออบรรพิตธรรมนีนประเทศเอาแเราก็ทั้งเลท้หันนี่นั่งถึงข้าวห้องไปห้องม่นมากเลยมันชอวาโจรเราผู้ไร่บวชขุดเรื่องมั่นโจรมูลนี่แต่เราบระท่านเนี่ยขาพ่อขาแม่ขาพ่อขาแม่แล้วไม่สามารถสิใดมาก้นนพานขันยั่งพรท่านเนี่ยขาพ่อขาแม่แล้วมาบวชกันยัง ในสมเด็จมกพลนิพพานนิวสันนิสข้าพ่อข้าแม่แ่พระท่านบ่อะไรสาเด็จมกนใเทพานคือพระเจ้าอิสศตูรนะข้าพ่อขันพระเจ้าอิสตูร์นี่พระท่านผักข้าพ่อนี่นพระโสดาบันนั่นแหละพระองคาวมีเพ่นข้าพ่อแล้วเมื่อไหร้วะท่นเพื่อนก็ไปย่อมพระองคาวะอย่ะด้วยล่ะโอ๊ยคนน่อยคนบน่อน้าต่าโหดเดข้าพ่อแล้ววะท่น เพิ่งเกิดใช่ข้ามาฟันหักเกียร์หันโยนมหาปะพิษมหาปะพิษมันเป็นด้วยกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ดอกเป็นด้วยกรรมของท่านบ้างพระแต่ชาติก่อนท่านทาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอกรรมฉนองกรรมจังหามหาปะพิษอย่าเสียใจเลยเพราะมันล่วงไปแล้วตั้งใจทําดีซะถึงอย่างนั้นก็ลุ่งผลมหาวิชีนรกเป็นมูประเทวทัฏฏฐิผลแม่นบอก ยังเป็นผู้ผู้ประเทศประทัดเจ้ตัวเดียวเนี่ยมาโลห์พันหัวอยู่ปุนเจ็ดบุณหาพ่อเจ็ดปีเจ็ดเดือนปุณสั่งอันี้ต่ออะไรยังบวิอีกพ่อขาไม่แห้บาปหลายแท้ขึ้นเมืองพะโมกข้าล่าเพียงหลอกล่วงน้อยเดี๋ยวทนาพ่อเน่าข่าค่าเน่าแห้งพ่อแห้งล่ะตอนนั้นเกิดว่าพบได้แท้ได้ คือตายหหงเท่านั้นอ่ะคือค้อนเขาจนทึงศาตร์เขาทุบเพในผ้านเขายังนำไปอยู่ในทสาสตร์ุณพ่อคุณแม่นี่ยผู้ใดอยาจะไปแลีดพิษตาเสียเถอะบาปหลายแท้เข้านี่ยบ่ได้บาปาดอก เ, บบเข้าเขาบ่ได้แลมรีดพิษตาใส่เลือดเสียเขาบักตาบักเตยเนี่ยพอแห้งแล้เถึกตีนเสีกับมนังโอ้ยกุกผสมสารสูดเอียวเที่ยวพ่อเที่ยวแม่โอ้ยกูมาสงสารสารูเี เที่ยงกค่เยเยเยหรอบ่องกงนีันนั่นนี่ก็พ่อกับแม่ฮอองกได้เราแง่ในเรื่องก็พ่อกับแม่เนี่ยนส์หลวปู่หาน่ะเพื่อนจังเอาแม่มาบวชนํางจันทร์เขาเรียงว่าเป็นถ้ำจานท์ทิพย์องมุ่นน่ะท่านหื่งมุ่นเอามาอยู่ คุณพ่อคุณแม่เปียกเหมือนพระละหันคุณได้ประมาทหรือว่าเจริญ่ะประมาณพ่อมาประมาทแม่ไปเรื่กัรเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขกันพีเจ้หน้าเข่าห้องพายห้องมั่นพี่น้องเลยมาห่าตายไปแล้วมูห้ามวัชรสิมากระซุมกันนิสัยได้ไปห้องพายห้องมั่นเลยวัชร์สีพ่อกันได้ยัาตายไปแล้วว่ชร์สีมาพ่อกันนัยหรือว่าเจริญมาบินทะบักน้ากดกันนิสัยด้ มันเซรามิกห่วงกันจินอันน้ำพรน้ำปูนมือสี่เลยห้องพาห้องมันเลยมาท่าห้องมือเ้าตายเดี๋วกนเเดอยวเนี่นนี่ยานี่ไปแกะกันชูไปคลวหล้มไปคบกันว่าเนี่ยไปอออนี่นี่นี่แกแกะแแล้วว่ามันพัน์ไปเนี่ยคนถืออุกรณ์เลยนักท่า ไปไฟเป็นเคล็ดเอะธุรกิจเออที่ไปน้ำร้อนน